ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรผู้ปฏิบัติธรรมเป็นมิตรได้จริงๆเป็นเพื่อนได้จริงๆการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการเดินทางเช่นเดียวกันทางเช่นเดียวกันผ่านตรงไหน มันก็เหมือนก่นอนว่าผู้ที่เดินทางเช่นนี้ไปแล้วไปก่อนแล้วดูจากทางเช่นนี้นี่นอนล่ะอย่างนั้นอุปมาอุ ป, ปังฐานแต่ผู้ที่เดินตามทางเช่นนี้มาตามหลัง คนที่เดินก่อนย่อมรู้จักว่าแต่คนผู้ที่เดินมาบอกผิดถูกตรงไห น, นเห็นอะไรจากนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราผิดสิ่งที่เราถูกก็เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ ผิดไปคล้องอยู่กับการผิดถูกไปคล้องอยู่กับการถูกวนเวียนอยู่ที่นั่นผิดซ้ำแล้วซ้ำอกีกถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ช้าหน่อย <c oughs> ไม่เร็วไม่ไวสำหรับผูบ้ที่เดินทาง ่าเดินถ้าเห็นสิ่งใดที่มันผิดสิ่งใดที่มันถูกสิ่งใดที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทางผ่านของผู้เดินทางไม่ใช่ไปอยู่ไม่ใช่ไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนว่าสองข้างทางมีแน่นอนติดถูกสุขทุกข์มีดื้นอนเกิดกับกายกับใจ เรื่องที่ผิดที่ถูกนี่อยู่ที่กายที่ใจทั้งนั้นไม่อยู่ที่อื่นแล้วก็แก้ได้เปลี่ยนได้มาแบบไหนผ่านได้เรียกว่าการเดินหรือเรียกว่าปฏิบัติผิดก็ผ่านถูกก็ผ่านสุขก็ผ่านทุกข์ก็ผ่านเป็นทางผ่านของผู้เดินทาง ถ้าไม่ผ่านก็ถูกกับขังถูกผิดสิ่งสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งถูกสิ่งถูกถูกถูกสิ่งที่ผิดถูกสิ่งที่ถูกกักขังไงดังที่เราได้จะลู่เรื่งพระสูต เห็นกายสว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนหล่เขานี่แบบผ่านเห็นเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนหล่เขาแบบนี้ก็ผ่านเห็นจิตที่เหมือนคิดขึ้นมานั่นก็สักว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนหล่เขานี่คือผ่านเห็นธรรมก็สักว่าธรรม เราใช้สดบุคคลตัวตนเราเขานี่ก็ผ่านถ้าไปเป็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นในกายในเวทนาในจิตนธรทมก็ไม่ผ่านยังอยู่ที่เก่ายังมีของเงิอยู่ที่เก่ามีรสมีชาติถ้าเราทมถูกก็ง่ายง่ายถ้าเราทำผิดก็ยากหน่อย ก็หลายรลบหลายเที่ยวไม่จะไมีชานานแต่เราหัแสดงออกจริงจริงทื่อตัวลงไปจริงๆทําทำให้มันเป็ น, ปนจริงจริงมันเป็นขนาดที่ไม่เป็นการงานหรืว่าเราทาหลายทำอะไรไม่เป็นไม่อยากทำมันก็ไม่เป็นสักที แต่ทึงที่ไหนเชไหนที่ไม่เป็นทาดูตามโตก่อนจับดูก่อนสมบัส ด, ดูก่อนตอนนี้คือการงานทาเป็นทุกอย่าง น, นักศึกษาไอโคไอโคเนอถ้าทางวัดเราเรียกไอโค อลวงพ่อเรียกว่าล่ะปีละ <c oughs> ให้มันวางอิฐฉมันก็บอกว่าทำไม่เป็ น, <c oughs> นเออลองทําดู <c oughs> อ๋อจับตัวนี้เนี่ยมันก็มีแบบอยเนี่ยมีสองก้นสองหยองมันเข้ากันได้เอาตัวนี้วางนี่ตัวนี้วางนี่ตัว น, นี้ตามไปมันก็ไม่ยอมทํามันก็ลุกขึ้นทําให้เป็น นก็ไม่เป็นเลยในชนอีกคนหนึ่งเขาก็ทำผิดแก่ใหม่ทำอันมาใช่ใหม่ผิดทำใหม่อีกไม่ยอมผิดหาสิ่งที่ถูกตนได้ในสุกก็ทำเป็นนี่คือการงานการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันทิ้งไหนที่มันผิดมันมีความถูกอยู่ที่นั่น ผมลองดูทาได้จีงไหนที่เหมือนทุกมันมีควรไม่ทุกอยู่ที่นั่นทําให้มันเป็นจีงไหนที่มีความสุขไม่ควา ไ, ไม่สุขอยู่ที่นั่นมันมีมาพร้อมกันในขาวเดียวกันการทำทางใจการปฏิบัติทำไม่ใช่ยกมือยกไม้ไม่ใช่มีวัตถุอื่นมันน่าจะง่ายกว่าการทําอย่างอื่น บางทีเราที่ยงกวา้างไม่ไม่ยอมทําที่งไว้ก่อนในครัวง่วงปลอยกับมันในครัวง่วงยอมสประงกุยมหลับตยโยมอ่อนเอในครัวง่วงในว่าที่ยงงานที่งงา น, ง, ง, านงานข้างเอาเลยอะไนเที่ยงง่วงอะไรเที่ยงวันไม่ง่วง มีเยอะแยะหามาหามาประกอบนี่คือหลักธรรมไม่ต้องจนผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติไม่จนต่ออาการต่างๆ ท, ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานะ้ันก็ได้บทเรียนตรงนี้เยอะแยะเลยประสบการณ์ตรงนี้เยอะแยะเลยปฏิจจุดก็ทำทำเป็น ไม่ใช่ลูกมันทําเป็ น, ปนอย่าให้มันข้างขาต่อมันง่วงทีเด้วก็อ่อนไปเลยนั่งรับตาสับสกเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดตายถ้าเราไปหัดมันฉุกอ่อให้ฉุกเป็นฉุกตลอดตายมันทุกข์ก็ให้ทุกข์เป็นทุกข์ตลอดตายมันโกรธก็ให้โกรธเป็นโกรธ ทีบคนทิ้งงานทิ้งการไม่เอางานโอกาสแล้ว ก, ก็มีอยู่ในกายในใจเรานี่แต่ชิ่งไหนก็ตามที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเลยเคยทำเคยผ่านแม้จะเป็นกิเลสตันหาลาคะตัวยาประโยชม์มาลองทำมาดูเอาเยื่ยงอย่าง กุลาอาจานเอาเย่องอย่างบรมมกูเอาเย่องอย่างหล่าพระสาวกที่เป็นมาแล้วอย่าไปจนให้ตบ อ, อกใส่ทันทีงานไหนที่มันงานยากงานไหนที่ต้องยอมต้องเชื่อมแขงยื่น อ, อกตบเม่อัวอกก็เอง ปุจทตกขกขรักขึ้นมากรดฝฝนขึ้นมาแม้บางทีพระราหัตสู้กับกิเลสจนด้ามตาไหลบางทีก็มีนันป่านนั่นก็มีบางคนบางชีวิตากาเช่นนั้น้องสู้ลงปฏิบัติการปฏิบัติทำปันไม่ต้องสู้แบบ นักกิลสมันสู้กับตัวเองชนะก็ชนะตัวเองไม่ใช่ชนะใครที่ไหนมันก็ชนะจริงๆอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติไม่ใช่ความถูกต้องไม่โกรธชนะได้ทุกอย่างเรื่งที่เหมือนเกิดไปกับใจเราเนี่ย ถ้าเราหัดต่างมันก็ผ่านมันก็เป็นทางผ่านไปทางเดียวกันแท้ๆตรงนี้ถ้าเราเกิดกับเราอาการช่นนี้เหตุเช่นนี้เกิดกับเราต้องมองออกมาว่าเพื่อนเราคงจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เขาไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าคงเป็นแบบนี้พระสาวกของลูกเรื่องนี้ ให้มีพละมีกำลังเอาอย่างไม่เปียวเดีดยวได้ในเพื่อนมีมิตรเคียงบ่าเคียงข้างข้างหน้าข้างหลังอยู่ใจกว้างขวางขวา ง, อ, งอย่าอ่อนแออย่าคับแคบไม่มีอุบายให้มีพลังแนวร่วมในการปฏิบัติหลายๆอย่าง แสดงออกตางร่างกายแสดงออกทางใบหน้าแสดงออกทางลักษณะท่าทางมันมีสทธิที่แสดงออกแตมันอ่อนแรงก็เข้มแข็งแต่มันงูกก็เฉลาดนี่เรว่าปฏิบัติเรียกว่าภาวนาทำให้ดีขึ้น สิงไนไม่ดีทำา ม, มันดีขึ้นมาสิ่งไหนไม่ถูกทําให้มันถูกขึ้นมาอย่ามันผิดอยู่ตลอดไปในความผิดมันมีความถูกสิ่งที่มาเกิดกับปากับใจเรานี้ยเรียกว่าปฏิบัติอะไรก็เป็นเช่นเอนี้แต่บางอย่างก็แก้ไม่ได้เช่นโรคไข้ไข้เจ็บ โลกหวัอย่างรักษาไม่หายโลกวัญญัางรักษาหายโลกวัอย่างไม่รักษาก็หายโลกวัอย่างรักษาก็ไม่หายโลกวัอย่างรักษาจึงต้องหายตานันม่เป็นโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกายเรานี้เป็นธรรมะ ที่เป็นมักเป็นผลเพื่อมักเพื่อผลทาได้ทุกอย่างในความแจ่ในความเจ็บในความตายก็ยังได้ประโยชน์ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนก็ยังได้ประโยชน์เป็นมักเป็นผลจึงทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เอาคมั่นใจให้มีความมั่นใจไว้ก่อน ตั้งใจไว้ที่ตรงไหนความสำเร็จที่ก็มีที่ตรงนั้นขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอพูดอย่างโงงงอดขอพูดอย่างอย่างมั่นใจในสิ่งที่ท่านเป็นทุกต้องมั่นใจในความไม่ทุกมีอยู่ในตัวท่านแล้ว สิงไนที่เหมือนผิดมีความไม่ผิดอยู่ในตัวท่านแล้วแน่นอนที่สุดอย่าจนมีที่การปฏิบัติก็มีเครื่องมือมีรูปแบบมีกรรมฐานมีที่ตั้งมีการกระทำที่มันศักดิ์สิทธิ์ทำที่เกิดขึ้นจากการกระทาเห็นหมดเห็นครบเป็นท้วนไ ม, ไม่ลีบไม่ลับจะเห็นความหลงก็เห็นความรู้เห็นความโกรธเห็นความไม่โกรธ เห็นความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์หน่อยนี่เรววาบอกมันมีเครื่องคีดวัดจริงที่ผิดที่ถูกไม่ใช่ความคิดเป็นการกระทําเป็นการสัมผัสในการปฏิบัติการสัมผัสหลงสัมผัสความไม่หลง <c oughs> ในเขาเดียวกันเห็นทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์ในเขาเดียวกัน มาเพิ่มการการปฏิบัติการภาวนาภาวนาจำจริงไม่ดีให้มันดีจำจริงที่ไม่ถูกให้มันถูกภาวนาคือวัตนาะทำให้ดีขึ้นถ้าไม่ภาวนาก็เรียกว่าหออะนะ้อยเนจะเจริญลงจริงที่มันจเจริญลงมีในกายในใจ มีแน่นอนถึงความเกิดเจ็บเจ็บตายภาวานาวัฒนะทําให้มนดีขึ้นมีแน่นอนว่ามไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายนี่รื่องราภาวดังเป็นสมบัติของมนุษย์ไปนจุดหมาปลายทางของชีวิตเราไปอย่าหยุดมีอะไรก็ผ่านให้ผ่านให้หมด อย่าไปค่องไปเว้เหมือนสองฝั่งสองไอ้ขั้เราเดินทางต้องมีใช้ขั้วมีสิ่งของมีสิ่งที่เห็นสัมผัสนอกจากใา้ขั้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจั ย, ยไอ้ขั้วมาอยู่ที่ตัวเรา แนแต่พระทหานบางรูปยังตัจจะลูเป็นพระหารเราลูถามพ่อพ่อนั่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเป็นท่อนชุ่มมันไหลบาตามน้ำท่อนชุงบางท่อนติดฝั่งซ้ายท่อนทุ่มบางท่อนติดฝั่งขวาพอติดฝั่งก็มีคนเอาขึ้นไป ทำเละไปผ่าไปใช้ไม่ไปถึงไหนแต่ทอนชุงหวังท้นล่องไปตามน้ำไม่ติดวังท้ายวังขวา้าก็ยอมถึงมาสมุด ต, ต่ำลงไปก็พิจารณาถึงตัวเอง ติดมันติดอะไรมาติดฝังซ้ายฝังขวาพิจุรณาจากนี้ก็เกิดตอนมาลุ่มได้ทันทีง่ายๆอย่างนี้เปลียงแต่ยานเกิดขึ้นเห็นลักษณะอย่างนี้ติดตรองซ้ายฝังขวาก็เห็นตัวเองติดมามากแล้วติดจุกติทุกติดปติดถูกติดหลงติดลู่ติดพอใจไม่พอใจ แล้วก็ไปค้าก็ว่าท่องกระจกเงาเห็นตัวเองมันเห็นทำเห็นตัวเองเห็นคนตื่นก็เห็นตัวเองเห็นท้นจุงก็เห็นตัวเองนั้นเคยเป็นอย่างนั้นอา้ายตัวเอง <c oughs> เอายตัวเองพี่โทษตัวเองเป็นบอกผิดบอกทูกแกตัวเองเป็น กรดาตัวเองเป็นตักตือนตัวเองเป็นแก้ไขตัวเองเป็นมีสติเที่ยังพองการปฏิบัติตามครบท้วนมีมิตรกับตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นครูตัวเองเป็นผูเรียนเป็นนักเรียนเองเป็นนักศึกษาจานานเองได้บทเรียนเองเยอะแยะ จึงจะบพระสูตรพระวินัยพระวิธรรมบัญจุที่กายที่ใจของคนเหล่านี้ไ ม, ม่สูตรสูตรกุศลได้เห็นสูตรอกกุศลก็ได้เห็นมาเป็นคู่สูตรอกกุศล ต, ต้องต้นจากวิชา ก็ให้เกิดสังขารสังขารเกิดนามรูปนามรูปเกิดไเจนนะอาจนนาเกิดปัจจาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดดุวิธานเกิดภพเกิดชาติชจนามณะโสกับวิเศวทุกตายเกิดเจีบตายสุดวิชาวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอเจนนาดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับดุวิธานดับพภพชาติดับเพนามณะไม่มีนี่สุดกุศล ผู้ใดเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้มันอยู่ที่ไหนสูตรเนี่ยบางโต้ตที่ไหนศึกษาเหมือาแบบมีสติเป็นนักศึกษาจะเห็นเห็นรูเห็นลหนลงอันหลงเป็นธรรวิชาอันรูเป็นวิชาทำได้ทุกชีวิตเอา่าที่รูสืตัวเป็นวิชา ในความบา่ที่เพื่ออะไรเพื่อศึกษาเพื่ออวิชชาเหมือนความืดก็เหมือนค ว, า ม, วามเฉงสว่างง่ายๆ่ยยังกิจฉิสมุทิธรรมมังตัดธ ร, รมังดูธรรมมันติมันมีจึงได้จึงเกิดขึ้นจึงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา พรเจ้าอุทางออกมาในลักษณะในเวลาที่โกนธัญญ่าบรรลุธรรมแม่อนอนวี่กับทุกคนอย่าระยอมจนอย่าเสียเวลาอย่าลอมรับใช่ยอย่าเป็นที่ฆ่าอย่าเป็นที่ข่าขความคิดอย่าเป็นที่ข่าขความสุขกวงมทุก ต อ, อ, อ, อ, อ้มาอความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่มีเด็ดขาดเด็ดขาดความสุขความทุกข์ที่เกิดกับกายจะไม่มีเด็ดขาดนี่คือสลาภาพไม่ต่ภาพของจิตวิญญาณจุดหมายปลายทางของการศึกษาปฏิบัติธรรม ชีวิตของเราก็พร้อมที่สุดยังหนุ่มยังมี้วแรงเนื้อแข็งแรงมากแม้จะเป็นการเท่ากันแจกก็ยังพร้อมแล้วยิ่งมีโอกาสรวบรวมได้เยอะ่านนานมากแล้วตูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง นี่เป็นหนุ่มโบริสุธ์เป็นพรหมจรรย์ช่วงหนึ่งปีถึงยี่สิปีเป็นชีวิตพรหมจรรย์โบริสุ์มาแล้วไม่เปิดไม่เพื่อนก็อ๋อสมพรหมจรรย์อ๋อสมมันนประหลัดคดเรื่องหัดมันเปิดเพื่อนในลูกก็คิดถึงลกูกมีเมียก็คิดถึงเมียมีผัวคิดถึงขัวมีเจ็บมีฉินมีอะไรก็คิด แบบคนที่มีแต่ชีวิตปรมจันท์เนี่ยมาที่รสุดน่าจะง่ายบางคนมาปฏิวัติธรรมยังมากไม่มีใครเข้าบ้านจะกลับไปดูบ้านนะเนี่ยพวกมันมีมีหลานน้อยสองคนไม่มีใครดูแลก็ยังมี เรียกว่าอาสมมันนะับประหลัดคดหัดเรามันมีเรือพ่วงก็ลากกนหนักพอจะยากหน่อยแต่ถ้าอะไรที่มันมันยากจริงหล่านั่นม่นใช่ยากกพ่าความคิดมันยากกพ่าความคิดวางไม่ก็ได้ ไม่ใช่เรวา่าอุ้มมากอดกันอยู่วางไม่ก็ได้บ้านก็ไว้นั่นหลานลูกหลานไว้นั่นพ่อแม่เขาก็มีอยู่บางทีก็ยังห่วงของขปีหนึ่งมีหลวงพ่อ อ, องค์หนึ่งมาอยู่ด้วยที่นี่เรื่องหลานบ้านคนเราฝังทา ง, งานั่นตาอยู่ฝัง่งบ้านหลานลูกสาวอยู่ฝั่งหนึ่ง ทุกวันหลานจะวิ่งข้ามถนนมหาตาอยู่ทุกวันตาก็คอยดูเลดูเลหลานไม่อยากให้แม่มันเลียงน่ะเลี่ยงเอาบางทีมันหมาก็ไปอุ้มออกมาแติดมาบวชมาบวชก็มาคิดห่วงหลาน ้ก็หลานจะเล่บวิ่งข้ามถนนมาอาจจะมีอะไรลงหรืออย่างไห น, นไม่มีใครดูแลคิดอยู่คิดแล้วก็ฝันนะบัดนี้ฝนออมาหาหน้าเสียเฉี่ยสนสนผมจะกลากลับบ้านเลามาอยู่กับตีร้องทุกลมนี่แหละหลังขอลากลับบ้านหลังก็กลับไปทำาไม ต้องมีเลยเกิดขึ้นแน่นอนหนังบ้านเกิดขึ้นแน่นอนไม่อาจ ม, มีผมก็อยู่ทางหนึ่งบ้านลูกศาอยู่ทางหนึ่งแต่หลานมันวิ่งข้ามถนนมาผมอยู่ทุกวันอาจจะเป็นถูกรถชนเลยเลยน่าเสียเสียองฟ้าก็ลอกก็อุย้ยไปคิดมันก็เป็นอะไรเราฝันผมฝัน ม, มันจะจเป็นจริงได้ เอาขากลับไปดูก่อนมันข้างขาจิตใจอ <c oughs> ไม่ต้องไปมันอาจจะมีลูกหลานเขาวมาเยี่ยมลูกสาวอาจจะมาเยี่ยมแม่ว่านอาจจะมาเยี่ยมมันต้องไปละเอ้าถ้าทรายได้ไม่จริงจริงหรือหลวงพ่อจริงมันต้องไปแล้ ว, เ อ, อ ว, อลว <c oughs> เอาไปมา ออหลานมาเยี่ยนอย่างจริงอ้วน่าเสียไปเลยโอ้จริงจริงหงพ่อจริงจริงหรอมาหลวงพ่อมันคิดการคิดทำไมเศร้าหมองกังวลได้คนม่ลูกเป็นหลานถ้าอย่างไม่หลวงจันทร์ไม่ชี่ลวงจันทร์เพราะใหญ่เฉยพ่อบ้านอันนี้ก็พอดีพอไหวอยู่ให้อยู่บ้านพออ่อใหญ่เฉย ระงพ่อเฉยเนะเพะอเฉยเดูแลปวกไปได้นะไปดูแลปวกบางถ้าพาอา่อเฉยเก็อะไรก็เฉยหมดนะโบกขึ้นบ้างก็เฉยนะอนั่นความคิดกอไม่รูป ก, ก็คิดแบบคนไม่รูป ก, ก็ไม่ผัวไม่เมียไม่ซับไม่เฉ๋ยช้ห ม, มดเลยก็คิดแบบนั้น ไม่ชีหนุ่มไม่ชีสาวเลยไม่ยังไม่มีเลยสนุกสนุกบางทีพ่อแม่เคีย่ยวบางทีพ่อแม่เป็นนักบวชนั่งอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันด้วยเฮ้โชคดีเพืกินเราไม่มีโชคดีแบบนี้เลยเอ้ดีแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นี่ บาความเท็จคว่ำจีงต่อเกิดมิพุทธเจ้าสอนอยู่ในตัวหลงมีพุทธะแต่จ น, นได้พูดออกมาว่าฟัางเสียงทุกเสียงเหมือนเชียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่ น, นั้น ทำแบบนี้ก็ยังได้ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรขวงกันไม่ต้องขอญาตจากใครทมในใจแบบนี้มันจะสนุกมันจะถึงแวดล้อมดีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชีวิตตัวเราอย่าไปคิดว่าอะอรอย่าไปฟังเสียงอะไรให้เป็นเสียงที่ผิดที่ถูกสร้างขึ้นมาดูซิ อาจจะได้บรรลุธรรมง่ายๆมาลายเป็นดีหมดอะไรก็ยากอะไรก็ผิดอะไรก็ถูกจะยากนหนักลำบากเป็นกาบุญันนิการนิโยบังเขียดจนเกินไปจริงจังเกินไปเป็นอาถตจิมุทธานิโยผิดก็ยากถูกก็ เอาถูกให้ถูกเป็นถูกเอาได้ถูกความทุกข์ไล่ตามวิ้งห่างความถูกบอกได้ความถุกความทุกข์ความถูกวิ่งหนีความคิดตามไปอีกเป็นอย่างนี้ทิ้งมันหมดเลยไม่เป็นไรกับสิ่งใดในโลกนี้เหมัอนตก แต่งเสริมช่งางว่าชนะบาและมีช่างแบบนี้ลหลายๆอย่างมองฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเฉียงพระชนมนมนหัดดูคนทุกคนจะเหมือนเป็นพุทธแน่โอนอย่ามองคนที่เป็นอืนอ่น บางทีพระหานบางลูกเกิดเลีตัะหนมากมองผู้หญิงเหมือนแม่ทุกคนแม่แต่เขาเป็นรุ่นลูก ร, รุ่นหลานก็ถือว่าแม่เราความีเพศแม่เรายังได้บรรลุธรรมขารบดูคนทุกคนเหมือนพระเจ้าอยู่ที่ไหนมีที่พาน ไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรสิร่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิ่งที่ึ้นโนอกกายนอกใจก็ไม่เป็นไรมีแต่รู้เห็นไม่เป็นเป็นเสียงสวสดมนเป็นคนพระพุทธเจ้าไปมีแต่คนมีแต่เสียงนอกจากตัวเราแล้วตัวเราก็มีสติดูเลยมันอยู่นี่จับมาใช่อย่างไงก็ได้ มีกายเอามาทำอย่างนี้มีจิตใจเอามาแผ่เมตตาปพมที่สบายที่สะดวกทำให้จิตเบาเบาทำให้ชีวิตเบาเบจะใช่อะไรก็ผมมีความสะดวกในการทำความดี ให้มีความพ้อในการทำความดีไม่ติดความดีอยาให้พ้ออย่างอื่นชีวิตจะเพื่อการอื่นจิตที่สงวนไม่ยอมให้สุขไม่ยอมให้ทุกข์ไม่ยอใมยอให้หลงไม่ยอมให้พอใจไม่ยอมให้ไม่พอใจจะใช้่จิที่เห็นบริสุทธ เห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นอะไรก็คือเห็นเห็นเหมนสุขเห็นเหมือนทุกข์เห็นเหมือนสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นเหมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นเหมือนเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นเหมือนเจรไม่เป็นผู้เจรเห็นเหมือนตายไม่เป็นผู้ตายเห็นมันลักไม่เป็นผู้ลักเห็นมันเกียดชังไม่เป็นผู้เกียดชัง นี่คือภาวะแห่งการหลุดพ้นเห็นไม่เป็นทางหลุดพ้นเราไปท่องเราไม่ต้องท่องวิมุตต์อมวัจรณ์นี้ไม่เชื่อจักกละเสียงเสิร์ญ ย, ยออมวัรจรณ์นี้คือที่สุดหมายไปทางคือวิมุตต์มือเห็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็หลุดพ้นทุกอย่างได้ยินไหม นะฮ่าสองคนเจ๋เวลากองเร